เพลเพลพระห้าตายไปเลยม้ากองแกงม้าไปลิ่งหลวงพ่อบนไดแถวๆดิขยายพันธุ์ไว้แทวๆอ่ะเออเ่รอย่มาเปนลิ่งหลวงพ่อเลยดิเพื่อในบางตัวก็จอยๆห่างเธอหลวงพ่อขึ้นใดหลวงพ่อก็้เลี่ยงมันห่างเธอหลวงพ่อลืมไปไปทางอื่นล่อลืมลืมเลี่งลิ่งกรพร้อมแล้วน่ๆหลวงพ่อจะพยายามจะบ่อยลืมละ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 ยับไปปล่อยปุณนะลุบเล่าปุณนะลุปเล่ามั น, น, ป เ, ป น, นเป็นทีเป็นมืน่นไรปุณเนี่ยเอ่เป็นปลาสงวนติดบ้านเพิ่มหน้าแค่ว่างแค่หลายหมู่บ้านติดจังหวัดเลยปุ่ น, นะเหนือที่มื่นกุนไลเนียปลายังสมบูรณ์อยู่ในจังหวัดอุด ร, รของเฮ้าเนี่ยกะเนีปลานี่ย่ะสมบูรณ์ที่สุดสเออปลาสะวนว่าน่ยไปเดี๋ยวนี่ว่าน่ยไปแต่ก็ต่อไปก็บอนแน่ขึ้นกัน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 เพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่ถึงขนาดนั้นยืดยืดจุนจุนเผล อ, ยอๆยังทะเลาไถ่ายต่างหากเลยืดจุนเลยเพออราะเวลายืดจุนคํานี้ก็คือเออญาติโยมผู้อยู่ใกล้จะทํำยังไงนะ้าเพราะว่าเขาจะมาทําบุญเขาก็มาไม่ได้เพรออาะญาติพี่น้องเขาเยอะเนีเขาขอไปที่บ้านเขาเถอะหลวงพ่อคือเอออ้าวยืดจุน่ะแต่บางครั้งเออ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 การทำบุญทำทานด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลในหลักของพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นหรงพอจะบอกให้คณะทัดทาญาติโยมเพื่อเป็นแนวความคิดนะเพื่อการศึกษาในข้างพุทธกาลเนี่ยมีไหมมีพระสงฆ์ไปรับนิมนต์อย่างเนี้ยอย่างพระสงฆ์ไปรับนิมนต์รับมัตตกะพัดคือทำพัดด้วยกาททำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย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 ข้องใจมีความข้องใจเอ๊ะที่ทําบุญบางแห่งก็ทําบุญอีกอย่างหนึง่งแต่บางแห่งก็ทําบุญอีกอย่างห น, น, นึ่งอันไหนหนอจะได้บุญมากกว่ากันพระสงฆ์ก็มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข่าฆ่ า, าพระองค์ไปฉันในกิจนิมนต์ไปเห็นแล้วก็ศรัทธาญาติโยมขอไปฆ่าพวกสัตว์มาทําบุญมาทําบุญเลี้ยงญาติเลี้ยงพระเลี้ยงญาติ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 มันก็เป็นบาปเป็นอกุศลสำหรับผู้ที่วายชนไปด้วยเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะขอฝากไว้กับพวกคณะทายาิโยมลูกหลานทุกคนที่อยากคิดจะทำบุญอยา่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีอะไรเท่าไหร่ก็เท่านะั้นคือเจตนาของเราเป็นหลักนะเจตนาของเราเป็นหลักใจเรามีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจอยากจะทาบุญทากุศล ให้แก่บรรพชนคือพ่อแม่ปู่ยา่าตายายของเราอาหารอะไรก็เท่าที่มีนั่นะพวกผักผักยา่ายาตเลี้ยงน้ำกัเลี้ยงแป๊บสี่โคละาน้ำแข็งกาฟงกาแฟไปเหลายาอะไรของงดงดเว้นอันนี้คือการทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้บุากาีบุคคลผู้มีอุปการะดวทาบุญให้วงสาคณะญาติ ข, าาของเราให้พวกเรา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 ก็มะเขืออะไรลงไปเผ อ, อ, เ อ, เอๆนี่ตายหมดปลูกไม่จุกไม่รู้จักวิธีวิธีกรรมวิธีการนี่ก็เหมือนกันเ่ยการจะทําบุญเราก็ต้องรู้จักศึกษาให้รู้จักวิธีการวิธีกรรมทํำยังไงจึงจะเหมาะสมทํายังไงจึงจะได้บุญกุศลมากสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราศึกษาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทำอะไรทําอย่างที่ใจตัวเองต้องการ